6.15 พระพุทธเจ้าสอนในเครื่องหมายคำพูดที่ได้มีรักที่นั่นมีทุกวงเล็บเปิด 1.30 ิพฤศจิกายน2550ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีศนย์วงเล็บปิดการปฏิบัติธรรมจริงๆคือการเรียนรู้ตัวเองเราเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อว่าวันหนึ่งจะสามารถอยู่กับโลกได้แบบมีทุกน้อยๆมีทุกน้อยๆหรือไม่มีความทุกเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้ทาอะไรพิเศษพิสดาร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 เพราะสิ่งที่เรารักมากที่สุดก็คือตัวเองให้เราเรียนรู้กายกับใจตัวเองดูว่าจริงๆแล้วกายกับใจนี่มันเป็นอย่างไรมันเป็นของดีของวิเศษไหมเพราะเรารักมันมากเราก็มีภาระ ก, กับมันมากห่วงแหนแล้วเราก็เลยมีความทุกข์กับมันมากพระพุทธเจ้าถึงสอนในเครื่องหมายคำพูดที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เรารักอะไรมากที่สุดเรารักกายรักใจมากที่สุดเราก็ทุกข์เพราะกายเพราะใจนี้มากที่สุด ส่วนรักลูกรักสามีรักภรรยารักลองลงมาที่เรารักว่าเป็นลูกเรารักลูกมากที่บางคนบอกเรารักลูกมากที่สุดก็เพราะลูกของเราถ้าเป็นลูกคนอื่นเราก็คงไม่รักหรอกสุดท้ายมันก็คือรักตัวเองนั่นแหละวงเล็บเปิดสอง1มีนาคม2551ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที7วงเล็บปิดแต่ละคนรักตัวเองทั้งนั้นแหละทีนี้ถ้ามันรักตัวเองมันก็เลยพาให้รักสิ่งอื่นๆไปด้วย ที่มันเป็นของเรานี่ลูกเราเมียเราบ้านเราทรัพย์สมบัติของเราเพื่อนของเราชื่อเสียงเกียรติยศของเราหน้าที่การงานของเราอำนาจของเรามันมีของเราของเราเข้ามาเลยรักเข้าไปด้วยอาศัยมันมีตัวเรานะมันถึงมีของเราขึ้นมามันรักตัวเราก่อนเลยไปรักของเราพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าในเครื่องหมายคาพูดที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกฟังแล้วแสลงหูนะเราชอบบอกว่า ที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่มีนาก็ทุกข์เพราะนามีควายมีวัวก็ทุกข์เพราะวัวเพราะควายมีอะไรก็ทุกข์เพราะอันนั้นแหละนี่สิ่งภายนอกอยังดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราอย่างคนเรางกนะมีทรัพย์สมบัติมากงกแต่พอเจ็บป่วยใช่ไหมยอมเสียเงินเพื่อให้ร่างกายหายป่วยเห็นไหมเปนทองสาคัญน้อยกว่าร่างกายแล้วรักร่างกายมากกว่าทีนี้พอป่วยมากจิตใจคลุ้มคลั่งทรมานอยากตาย เห็นไหมไม่รักร่างกายแล้วอยากให้ร่างกายตายตายเสียทีจิตใจเราจะได้พ้นทุกพ้นร้อนเสียทีรักเข้ามาถึงที่สุดนะมันรักเข้ามาถึงจิตใจตัวเองเนี่ยรักกายรักใจนะรักมากกว่าอย่างอื่นพระพุทธเจ้าเลยสอนให้ตีต้นต่อของมันเลยจะทําสงครามทั้งทีไม่ทําสงครามอ้อมอ้รักอะไรมากที่สุดก็เอามันตรงนั้นแหละรักกายก็มารู้กายดูซิมันน่ารักไหมรักใจก็มาดูใจ ดูสิน่ารักจริงไหมร่างกายนะถ้าเรามามีสติคอยรู้อยู่จะรู้ว่ามันไม่น่ารักหรอกร่างกายนะเป็นของสกรปรกไม่ใช่สวยงามอะไรจริงจังร่างกายนี้เป็นที่ถูกความทุกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้มีสภาวะต้องคอยบำรุงรักษามากมายเหลือเกินแต่ไม่ว่ารักษาอย่างไรนะถึงวันหนึ่งก็ทรยศอย่างบางคนดูแลร่างกายอย่างดีนะถึงจุดหนึ่งก็ป่วยไข้ไปตายไป รักษาแทบตายก็รักษาเอาไว้ไม่อยู่ฉะนั้นเลยทุกเพราะร่างกายห่วงแหนมันแล้วก็รักษามันไม่ได้จริงมันไม่น่ารักจริงหรอกมันเป็นก้อนทุกแท้เลยมันไม่น่ารักเนี่ยการที่เรามีสติรู้กายเนืองๆนะจะเห็นเลยกายมันไม่น่ารักมันมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาก็จะหมดความยึดถือร่างกายไปส่วนจิตใจละ่ะจิตใจมันไม่มีปฏิกูลอสุภาะอะไรนี่จิตใจเป็นนามธรรมเราก็ดูไป จิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงเราอุตสาหหาความสุขมาให้จิตใจนะมันมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกแล้วมีความอยากขึ้นมาอุตสาห์สนองความอยากแทบเป็นแทบตายนะมีความสุขได้แ ป, ป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีความทุกข์อีกแล้วนี่นะในชีวิตเต็มไปด้วยความหิวโหวยทางจิตใจอยากได้อันนี้นะถ้าไม่ได้มาก็ทุกข์ได้มานะก็มีความสุขแป๊บเดียวก็อ ย, กอยากอย่างอื่นอีกแล้วเนี่ยจิตใจ น, นะสร้างภาระให้มากมายเหลือเกินไม่น่ารัก หาความสุขมาให้ก็มีความสุขได้ประเดียวเดียวก็ทำให้ต้องเหน็ดเหนื่อยวุ่นวายไปหาความสุขมาตอบสนองมันอีกหาอารมณ์ที่ดีมาให้มันอีกแล้วจิตใจนี้มีแต่การบังคับไม่ได้สั่งมันไม่ได้จริงหรอกมันทรยศนะอยู่กับมันมานานมันสั่งเราท่าเดียวเราสั่งมันไม่ได้อย่างลองเราสั่งใจเราว่าอยากคิดสิลองสั่งสิสั่งไม่ได้นะหรือสั่งใจเราว่าจะมีความสุขอย่างเดียวอย่ามีความทุกข์ก็สั่งมันไม่ได้ การที่เรามีสติรู้อยู่ที่ใจนานๆไปเราก็จะเห็นแต่ความไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเห็นอนัตตาว่าสั่งมันไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนี่เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้าแล้วซ้าอีกมันก็จะหมดความยึดถือจิตใจไม่รู้จะยึดมันทำไมมันไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริงเมื่อใดหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจก็เป็นพระอารหันต์เพราะถ้าไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจ ก็จะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกเพราะของในโลกที่เรายึดถือเนี่ยเรายึดถือในฐานะว่าเป็นของเราเท่านั้นเองกระทั่งตัวเรายังไม่ได้ยึดถือจะไปยึดถือของเราทําไมเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราตีต้นต่อของมันเลยนะ